เหมือนอย่างเรารู้ใส้สัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งความตรณีอันเป็นมนทินจะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นไม่พึงแบ่งคำข้าวคาหลังจากคำข้านั้นแล้วก็จะไม่พึงบริโภคถ้าปฏิคาหกของสัตว์เหล่านั้นพึงมีนะครับคือถ้ามีผู้รับจริงๆก็ต้องแบ่งให้นะแม้แต่อาหาร ถ้วยสุดท้ายของตัวเองก็ต้องแบ่งก่อนแล้วให้ก่อนเหลือจากการให้แล้วค่อยมากินอย่างนั้นเถอะถ้ารู้อั น, นิี้ส่งเหมือนกับที่พระ อ, องค์ทรงรู้นะดูก่อนพิสูจน์ทางหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกขานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ให้แล้วจึงบริโภคนะครับอันหนึ่งความตนีอันเป็นมนทินจึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้นได้นะครับ เขไม่รู้ผลเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้นั่นเองนะครับก็เลยไม่ยอมให้นะครับไม่ยอมให้แล้วก็จึงปล่อยให้อิโตสะนี่นะครับความตณ น, นี่เกิดร่วมกับโทสะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สมบัติของตนเนี่ยไปสาธารณะแก่บุคคลอื่นนะครับหึงหวงแข็หวงแ ห, หนเอาไว้นะครับในระดับปุถุชนเราเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องตณีหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันมัน มันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าในขณะเมื่อผู้รับมีอยู่เนี่ยอาจารย์ว่าควรไหมที่เราจะฝืนแล้วก็ให้ไปก็ถ้าไม่ฝึกก็คงยากนะครับถ้าไม่ฝึกฝืนก็คงยากใหม่ๆก็คงต้องฝืนบ้างนะครับอ่าเท่าที่ผมเคยศึกษามาเขาบอกว่าวีรวีรชนหรือคนกล้าแม้แต่นักรบที่กล้าหานในสงครามคนเหล่านี้ย้อมใจก่อนนะครับทาเป็นกล้าก่อน นานๆเข้ามันก็ใกลนะครับฝึกอุปนิสัยก่อนการให้ทานก็เหมือนกันใหม่ๆก็ต้องหัดฝืนก่อนนะครับฝืนครั้ง2ครั้ง3าครั้งหนักๆเข้าก็สบายแล้วนะครับเป็นปกติแล้วนะถ้าฝืนได้ก็นในที่สุดก็ทําสําเร็จบางอย่างก็ต้องกล้าฝืนนะครับความชั่วท่านถ้ารอให้อุปนิสัยแห่งการให้ทานมาให้เนี่ยคงยากนะถ้ารออย่างนั้นเนี่ยคงยากนะครับพันจะต้องหัดสลดสังเวจัยเหมือนกับอ่าบ บัณฑิตสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะสังเวชใจนะเมื่อเขามาเกิดเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนเนี่ยนะครับหาเช้ากินขําเนี่ยเขาก็จะปรึกษากันวันนี้เนื่องจากเราไม่ให้ทานเอาไว้แต่ปางก่อนนะครับชีวิตของเราจึงได้มาทุกมายากอ ย, กอ ย, กอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นควรที่เราจะต้องเสียสละให้นะครับเพราะในความทุกความยากอย่างนี้จะได้ไม่มีอีกต่อไปหรือคนที่ได้ดีมั่งมีสีสุขก็ให้ได้นึกว่า ที่เรามีความสุขความเจริญอยู่ทุกวันเนี่ยนะมีอยู่มีรับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยนะไปไหนมาไหนสะดวกมีบ้านอยู่ฝนตกก็ไม่เปียกเป็นต้นนะครับอาชีพการงานก็ไม่เหน็ดเหนือ่อยจนเกินไปนักชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีสติมีปัญญามองเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลดํารงชีวิตอยู่สบายๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลของบุญถ้าหากว่าเราละเลยเหตุอันนี้เสียชีวิตของคงอับผับต่อไปในในช่วงข้างหน้าต่อไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่าได้ล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรให้จริงๆใหม่ๆก็ฝืนไปฝืนแล้วก็ค่อยอธิษฐานจิตไปขอการให้ครั้งนี้จงเป็นอุปนิสัยให้เพื่อยินดีในการให้ในครั้งต่อๆไปควรตั้งอัตตาสัมมาปนิธิแบบนั้นนะครับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาว่าถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วโดยวิธีที่ผล น, นั้นจะเป็นผลใหญ่ไซส์สา้งหลายพึงกําจัดความตนีอันเป็นมลทินเสียนะครับแล้วก็มีใจผ่องใสพึงให้ทานที่ให้แล้วมีผลมากคือให้ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาละอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมากครั้นให้ทักษิณาทาน คือข้าวในพระทักขีนยะบุคคลทั้งหลายแล้วจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์และทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นสเสวย อ, อยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทานนะครับเพราะฉะนั้นผลแห่งทานเนี่ยนะครับทาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขความเจริญแต่สัตว์ทั้งหลายก็มองไม่ค่อยเห็นเหตุอันนี้เท่าไหร่นะครับ ผู้ที่เห็นเหตุเนี่ยนะครับก็จะยินดีในการให้ทานไปแต่ผู้ที่ไม่เห็นเหตุก็โหห่วงแหนนะครับเขาน่าจะเจริญอย่างหนึ่งนะว่าถามว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยเป็นของใครนะครับอยกตัวอย่างเหมือนแผ่นดินเนี่ยของใครใครอยู่ก็ถือว่าของคนนั้นถามว่าใครอยู่ก็คนมีบุญก็ได้อยู่ไปบ้านช่องห้องหอเรือนชานก็เหมือนกันถามว่าของใครก็ของคนมีบุญทั้งหลายนะครับใครมีบุญคนนั้นก็อยู่คนไม่มีบุญก็ตกจากเรือนหลังนั้นนะครับ ดีไม่ดีนี่นะครับที่ว่าเคยเรียกว่าวิมานวิมานก็ทับตายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายโดยมากแล้วเป็นอัพยกรตะธรรมนะครับรูปเสียงกลิ่นรสและโภภพธะะที่มารวมเป็นภาษาเร า, เราเรียก mm hmm. บ้านช่องห้องหอเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคยวดยานทาหนะระเบียบดอกไม้ของหอม น, นะครับข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายเลยสิ่งเหล่านี้นี่นะครับภาษาปรมัตธรรมแล้ว ก็ได้แก่รูปประคันเท่านั้นเองนะครับเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งของถ้าหาวดีประณนษน่ารักน่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจคนมีบุญก็ได้ใช้นะครับใครมีบุญก็ได้เสเวยได้บริโภคสิ่งนั้นๆไปถ้าหากว่าใครไม่มีบุญนะครับสิ่งนั้นๆก็จะแปลสภาพไปเป็นพิษทันทีเลยมีบ้านบ้านก็สร้างปัญหาให้นะครับอยู่ไม่ได้มีรถรถก่อเสียเป็นต้นนะครับมันจะพาวิบัติไปสู่อย่างอื่นๆเนี่ยหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวัตถุทั้งหลายที่เห็นเห็นกันอยู่นี่นะครับเป็นของใช้สําหรับคนมีบุญจริงๆเลยนะครับนี่แต่ว่าซา์ทั้งหลายไม่ไม่เห็นเหตุแบบนั้นนะนะพอไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะให้นะครับมันก็ไม่เคยไม่คิดจะปลูกต้นบุญอันนี้เอาไว้นะครับทีนี้ข้อความในอัตถกถาได้กล่าวถึงบทว่าทานะสังวิภาคสระนะครับที่หมายถึง ก า, นนการจำแนกทานนะครับการจำแนกทานนะการให้ถามว่าทานการให้เนี่ยให้ยังไงคือเจตนาที่รวบรวมทายธรรมมีข้าวเป็นต้นให้แก่คนอื่นโดยการอนุเคราะห์และการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าทานลักษณะของทานนะคือเจตนาที่รวบรวมลักษณะการให้มี2 อ, อย่างนะครับ นึงให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้คนทุกคนยากคนยากคนจนเนี่ยนะครับถ้าให้คนประเภทนี้เขาเรียกว่าให้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์นะครับส่วนการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อบูชาถามว่าให้เพื่อบูชานี่ให้ยังไงครับก็คือให้ในพระอริยบุคคลทั้งหลายให้ผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายเขาเรียกว่าให้เพื่อบูชานะครับก็ให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการให้ในสองลักษณะด้วยกันนะครับ ส่วนเจตนาที่แบ่งส่วนหนึ่งของวัตถุที่ตนถือเอาไว้บริโภคแล้วชื่อว่าสังวิภาคการจำแนกนะครับคือสมมุติ ว, ว่าข้าวของเนี่ยนะครับสมมุติว่าข้าวมีมีหนึ่งถ้วยนะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ทานอีกส่วนหนึ่งเหลือเอาไว้บริโภคอันนี้คือเรียกว่าสังวิภาคนะครับการจำแนกนะครับการจำแนกของที่จะพึงให้อาจจะให้ด้วยการสงเคราะห์หรือให้ด้วยบูชาก็ตามเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งใช่ไหมครับก็อาหารที่บริโภคนั่นแหละส่วนหนึ่งก็แบ่งไปถวาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับบทว่าวิปากังได้แก่ผลบทว่ายะถาหังชานามิได้แก่เหมือนอย่างเรารู้ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพึ่งรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ด้วยกําลังยานอันเป็นผลแห่งกรรมโดยประจักษ์ในบทนี้ คือถ้าใครมีกรร ม, มวิปากยานมียานที่ยังรู้กรรมและผลของกรรมได้ละเอียดชัดเจนเท่ากับพระ อ, องค์เนี่ยนะครับบอกว่ายกตัวอย่างนะว่าพระ อ, องค์มองเห็นว่าผลทานเนี่ยนะครับย่อมมีถึงร้อยเท่าโดยให้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานแล้วเสวยสุขเป็นไปในร้อยอัตภาพนะครับให้ผลในร้อยชาติหลังนั้นเถอะร้อ ย, ร, อ ย, ร, อยร้อยเท่านี่คือร้อยชาตินะผลของการให้ทานเนี่ยนะครับมีผลเป็นร้อยชาติ แต่อย่าลืมว่าเออกคนทําครั้งหนึ่งก็น่าจะให้ไปเลยร้อยชาติอย่างเงี้ยนะครับเห็นชัดๆอย่าลืมว่าบุญที่ทำเนี่ยนะครับบางอย่างก็บาปหลายๆอย่างมาตัดรอนนะครับคือทําแล้วโดยปกติเนี่ยนะควรจะได้รับวิบากเท่านี้แต่บางทีก็ไม่ได้รับเท่านั้นหรอกถามว่าทําไมจึงไมไ่รับเท่านั้นเพราะกิเลสหลายๆตัวเนี่ยนะครับมาเบียดออกไปนะครับเนี่ยนะเพราะว่าเอ่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะครับสัต์ทั้งหลายไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวใช่ไหมครับ เหมือนกับว่าโอ้มีรายได้ขนาดนี้ทาไมไม่ร่ำไม่รวยอ่ารายจ่ายละ่ะก็ต้องไปดูเรื่องรายจ่ายเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายก็เหมือนกับรายได้นะบาปก็เหมือนกับรายจ่ายถ้าหากว่ารายจ่ายมากถึงจะได้มากเท่าไหร่ก็รักษาไม่อยู่นะครับบทว่าณอทท ต, ตวะพุชยุงความว่าสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้ของที่ควรบริโภคอันมีอยู่แก่ตนแก่ผู้อื่นก่อนแล้วก็จะไม่บริโภค ต่อเมื่อให้แล้วจึงบริโภคอันนี้พูดท่าว่านะท่าว่าเนี่ยประโยคปริกละนะถ้าฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้านะแต่ทจริงแล้วฉลาดมีใครฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าไหมไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ให้ก่อนแล้วก็รีบบริโภคก่อนนะนะอไม่ทราบว่าสมัยเขานครับสมัยสมัยครั้งที่พระโพธิสัตว์บริจากทานเนี่ยคือไม่ให้ก่อนต้องไม่บริโภคหรือเปล่า ออโดยมากท่านก็จะให้จริงๆนะครับตั้งไว้เพื่อให้นะครับ mm hmm. เช่นตั้งโรงทานเป็นต้นเอาไว้ก่อนตั้งแรกๆแล้วนะครับเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ตั้งโรงทานตั้งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่มีความตะหนีอะไรเลยนะครับเพราะว่าสมาทานที่จะให้เหมือนมออความตั้งแต่ต้นแล้วนะครับจึงไม่ได้มีความอาลัยในวัตถุทั้งหลายอะไรเลยนะครับบทว่าณนะจะเนสังมัชเชรมลังจิตตัง ปริยาทายะติทยะอันหนึ่งความตนีอันเป็นมนทินจะไม่ครอบงำจิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นความว่าความตนีอันเป็นมนทินอย่างใดอย่างหนึ่งของบรรดาธรรมะฝ่ายดำอันเป็นอุปกิเลสทำลายความผ่องใสของจิตมีลักษณะไม่ยอมให้สมบัติของตนทั่วไปแก่คนอื่นอันนี้ลักษณะของอะไรครับมัจเริยใช่ไหม มัชริยนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตไม่ผ่องใสใช่ัหมครับเมื่อมันเป็นธรรมะฝ่ายดำเนี่ยทำให้จิตไม่ผ่องใสแล้วก็สมบัติก็ไม่อยากให้สาธารณะแกะ่ใครๆอีกอย่างหนึ่งความตรณีและมนทินมีอิสาคือริสยานเนี่ยนะครับโลพาและโทสะเป็นต้นอันทาอันตรายแก่ทานแม้อื่นจะไม่พึงครอบงาจิตของสัตว์เหล่านั้นโดยอาการที่ไม่มีเจตนาจะให้หรือ มีเจตนามไม่บริสุทธิ์ก็ใครเล่าเมื่อรู้ผลของทานโดยชอบจะไม่พึงให้โอกาสแก่ความตนีอันเป็นมลทินในจิตของตนได้นะครับถ้าหากว่ารู้รู้ผลของการให้ขนาดนั้นน่นะจะไม่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปนะครับจะไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นขวางกั้นในการให้การบริจาคเลยนะครับ แต่ว่าไ ม, ไม่ฉลาดอย่างนั้นสนะิต่อไปนะครับบทว่าโยปิเนสังอสเจริมโมอาโลโปโดได้แก่พึงมีคําเข้าคำหลังทั้งหมดของสัตว์เหล่านั้นคือหมายความว่าเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยบริโภคนั่นเองนะครับในข้อนี้ท่านอธิบายว่าตามปกติสัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้เองด้วยคำเข้าเพียงเท่าใด เหลือคําข้าวไว้คําหนึ่งในคําข้าวเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วให้คําข้าวทั้งหมดนอกจากที่เหลือไว้คําหนึ่งนั้นอ่ะแก่คนที่ต้องการที่มาหาคําข้าวที่เหลือไว้นั้นชื่อว่าคําหลังในทีน่นี้นะครับหมายถ้เช่นมีข้าวเหนียวเนี่ยนะครับสามารถปั้นได้สิบปั้นอ่ะนะก็เหลือไว้ปั้นเดียวให้ตัวเองนะครับที่เหลือให้ทานหมดเลยคือคือหมายความว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่ คู่ควรแก่การรับอะนะก็จะให้แบบนั้นยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามีสตังค์อยู่ไม่มากนักนะครับไปเห็นเดินสมมุดนะสมมุติเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ไปเจอบอกว่านี่รางวัลที่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะอย่างมากก็จะซื้อหมดเหลือไว้แค่ค่ารถพอกลับบ้านเท่านั้นแหละครับพอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นนะที่เหลือจะก้านซื้อไอรางวัลที่หนึ่งจนหมดเลยอย่างนั้นทําไมเพราะเห็นผลว่าถ้าซื้อรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแน่นอนฉั้นใดคนที่รู้ผลของทานก็จะฉันนั้นเหมือนกันจะเหลือเอาไว้แค่การตายหน่อยหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเรียบทําบุญเลยนะเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในภายภาคหน้าในชั้นตรงนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะเราไม่เห็นผลนั่นเองนะครับแต่ว่าวิธีที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธในเบื้องต้น นะครับฝึกสมาทานเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปนะตั้งจิตว่าต่อไปเพื่อการให้นะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะให้นะครับปรารภสมาทานเพื่อที่จะให้อั้นคนที่จิตคิดจะให้นะครับถ้าไม่ได้ให้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าสมาทานในการให้ต่อไปเพราะนนั้ผู้ที่สมาทานที่ประพฤติจะให้แล้วตั้งความปรารถนา การให้เหล่านี้จงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเถอ์นะถ้าตั้งความปรารถนาแบบนี้การให้เหล่านั้นก็เป็นบารมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรเจริญเป็นอย่างยิ่งนะครับทานกุศลบทว่าตะโตปิณะสังวิพาชิตวาพุญเชยงสเวเนสังปฏิคาหกาอสุสัตว์เหล่านั้นไม่พึงแบ่งคําข้าวคําหลังจากคําข้าวนั้นแล้วก็จะไม่พึงบริโภค ถ้าปฏิคาหกคองสัตว์เหล่านั้นพึงมีความว่าถ้าปฏิคาหกคองสัตว์เหล่านั้นพึงมีสัตว์ทั้งหลายพึงแบ่งแม้คำเข้าวมีประมาณตามที่กล่าวแล้วพึงให้ส่วนหนึ่งแล้วจึงบริโภคสัตว์ทั้งหลายพึงรู้เหมือนอย่างที่เรารู้ผลของการจำแนกทานโดยชัดแจ้งฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วนะถ้ารู้แม้แต่มันไม่รู้อสินะครับ เพราะไม่รู้นี่แหละพะงษ์ยิงบางแห่งพงษ์ตรัสว่าการให้กับการรบเนี่ยเสมอกันนะครับโดยบทว่ายัสมาจะโขเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังความตามพุทธรประสงค์ให้สําเร็จด้วยเหตุว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ผลในการจำแนกทานอย่างนี้เพราะผลของกรรมยังไม่ประจักษ์นะครับคือกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่ประจักษ์ด้วยด้วยปัญญาณนะ ด้วยบทนี้เพิ่งเห็นว่าพระองค์ทรงแสดงถึงเหตุแห่งการไม่ปฏิบัติในบุญอื่นและแห่งการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่บุญนะครับหมายความว่าบุญก็ไม่ทำนะครับไอสิ่งที่ไม่ใช่บุญนี่ทำเอาทาเอานะสิ่งที่เป็นบุญควรจะเอาก่ไม่เอานะครับด้วยอำนาจอาวิชชาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับจะไม่นึกต์นหนีเลยนะพระโสดาบันเนี่ยนะครับพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่ มีกรรมสกตาอย่างมั่นคงนะครับจนถึงสมัยพุทธกาลนี่ก็ไม่ให้ไปให้ต้องสมมุตินะครับไม่ให้ไปรับอาหารในบ้านของพระรยาสาวกเกินไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนี่นะรู้ผลแห่งทานท่านจะให้แม้ถ้าจะอดก็ยอมนะครับเพราะว่าเห็นเหตุเห็นผลของการให้หมดนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะครับมันเป็นผลของบุญนะครับเวนน้นในส่วนที่เป็ น, ปนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะ ส่วนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วๆวไปแล้วผลของบุญนะ่ะนะบุญก็คือการให้การรักษาศีลเป็นต้นนะ่ะนะถ้าหากว่าไม่ให้ไม่ไม่ทําบุญแล้วเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้จะได้คืนอีกหรือนะครับมันก็เป็นไปเพื่อตกต่ํากว่านี้อย่าลืมว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นไปตามอํานาจของกรรมกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้นะครับความทุกข์ความยากก็ไม่ต้องห่วงว่าทุกยากเหล่านั้นจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับ ในคาถาทั้งหลายมียอธิบายดังต่อไปนี้ว่ายะถาวุตังมเหสินาความว่าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสแล้วโดยในเมียที่ว่าผู้ให้ทานแก่สัตว์เดรฉานพึงหวังผลทานถึงร้อยเท่านะครับอันนี้ก็ไปดูได้ในทักษิณาวิพังกสูตรนะครับถึงเรื่องของการให้ทานนะให้ทานกับสัตว์เดรฉานให้ทานกับคนทูศีลให้ทานกับ ปุถุชนคนมีศีลทั่วไปที่ไม่มีไตรชรนคมอะไรนะครับแล้วก็ให้ทานกับฤาษีนะครับที่ได้อภิญยาห้าสมาบัตแปหรือให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปิตพลให้ทานแก่พระโสดาบันพะสกะทาคามีเป็นต้นจนถึงก็ให้ทานแก่พระอรหรันตพระประเจกพรพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพระตถาคตอรหรันตสั ม, มาสมพุทธเจ้านะครับหรือว่าให้ทานเป็น ลักษณะของสังฆทานทั้งหลายถ้ารู้ผลแห่งทานแบบนั้นเป็นต้นนะครับตามลำดับชั้นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงจำแนกให้เห็นไว้ในทักษิณาวิพังคสูตรเป็นต้นหรือว่ารู้ผลเหมือนกับที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ในเวลามาสูตรนะครับสัตว์ทั้งหลายก็จะยินดีที่จะให้นะครับแต่ว่าบางคนก็พอฟังแล้วก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็อวิชาก็ปิดกานแล้วนะครับ